ว่าสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสันสนีสนทนาคามาพบท่านฟังที่ครบกันอีกแล้วนะคะที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM-106 รสถานีอของเจ้าของคลื่นก็คือสทอทอคะ่ะเราก็เป็นรายการธรรมะนะคะที่จะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ครบถ้วนทั้งในส่วนของการปฏิบัติแล้วก็ทั้งในส่วน ของการได้ความรู้เรื่องธรรมะที่เป็นคำสอนของพระาศาสดาหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นการสั่งสมสุตตะสุตตะในที่นี้หมายความว่าคำสอนนะคะก็ไปกราบนรรมศสการพระคุณเจ้าที่ได้ให้ธรรมะกับรายการนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะนั่นคือพระมหาภัยบูร์อภิปุณโววัดป่าดอนหายโศอุดรธานีค่ะมัสการค่ะท่คะเอนรเรามาเริ่มรายการด้วยของการปฏิบัติธรรม การปฏิบัตินั้นก็เริ่มจากการที่เราตั้งสติขึ้นพระพุทธเจ้าเองตอนก่อนที่พระองค์จะมาเทศสอนภิกษูปัญจวัคคีย์ก็ในนึกถึงธรรมะ ค, คือเรื่องของสตินี่แหละเป็นตัวเริ่มต้นเลยเริ่มต้นของการปฏิบัติโดยเริ่มต้นที่สติเครื่องมือในการที่เราจะใช้ให้สติมีขึ้นเกิดขึ้นนั้นก็คือลมหายใจจิตของเราจะไม่ดีเลยถ้าตริตรึกไปในเรื่องใดๆมาก จิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเรามาตรีตรึกในเรื่องของลมหายใจอยู่เป็นประจำสิ่งที่มาพร้อมกับลมหายใจก็คือสติจะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นสติที่มีกําลังมากขึ้นนั้นเปรียบเหมือนกับยามหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เขาเฝ้าอยู่บริเวณประตูเมื่อมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาเฝ้าอยู่บริเวณประตูเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่หลับไม่เผลอสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือความปลอดภัย คือขึ้นกับสถานที่สิ่งนั้นๆแห่งนั้นๆั้เช่นเดียวกันถ้าบอว่าจิตของเรามาอยู่กับบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจคือในบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ในโพรงจมูกเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสติจิตมาอยู่กับลมเมื่อไหร่สติเกิดขึ้นเมื่อนั้นสติที่เกิดขึ้นนี้ก็จะเป็นตัวที่รักษาจิตได้นั่นเองบุคคลที่ตั้งสติไว้ยอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรม รักษาจิตให้จิตนั้นพร้อมแล้วต่อการที่ถ้าเผื่อว่ามีภาษาใดๆขึ้นมาสามารถที่จะรู้จะเห็นตามที่เป็นจริงได้สติ น, นี้ก็เรียกว่าโพชฌงโพชฌงเราะองค์ทำแห่งการตรัสรู้ธรรมสามารถที่จะทำให้จิตนั้นเห็นตามรู้ตามความเป็นจริงในภาษาตา่างๆได้จะมีการใกล้กลวนซึ่งธรรมเราเห็นภาษาใดๆจากจิตที่ตั้งสติไว้ยอย่างนี้จะมีเสียงมากระทบจะมีบุคคลพูดใด มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอากาศจะเป็นยังไงกลิ่นได้มากระทบเราจะเห็นตามจริงได้มีการใกล้กรุนธรรมนั้นด้วยปัญญาสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชงและบุคคลที่มีการใกล้กรุนธรรมะอยู่อย่างนี้แน่นอนว่าสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยก็ค่อยๆลดลงไปจากจิตของเราสิ่งที่เป็นกุศลธรรมก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นกุศลธรรมมีการเห็นตามที่เป็นจริงมีเรื่องของสติ มีการเครียครัวนี้เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่จะเป็นความยึดถือความหลงไหลเพลิดเพลินไปตามสิ่งที่มากระทบเป็นอกุศลธรรมก็ลดลงไปลดลงไปลักษณะที่อกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่ ม, คมเครียกว่าเป็นวิริยะคือความเปลี่ยนเป็นวิริยะสัมโพชงเป็นความเพียนชนิดที่จะทำให้จิตนั้นพร้อมแก่การตรัสรู้ต่ำได้เวลาที่จิตมีความเพียนอย่างนี้ทำไปสักระยะหนึ่งมีอกุศลธรรมลดลง มีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นถึงจุด1เนี่ยจะทําให้มีความเย็นใจความสบายใจความเย็นใจความสบายใจนี้คือปีติ น, นั่นเองเป็นความเย็นใจความสบายใจชนิดที่เกิดจากในภายในไม่ได้อาศัยสิ่งภาย น, นอกเป็นเครื่องล่อไมไ่ต้องให้เสียงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ต้องให้ใครพูดสิ่งนี้หรือใครทําสิ่งนี้ให้เราเราถึงจะมีความสุขแต่เป็นความสุขความสงบที่เกิดจากในภายในเป็นปีตินัน่นเองที่เป็นนิรามิตร เวลาบุคคลที่มีปีติแบบนี้จะมีความสงบระงับกายก็จะสงบระงับจิตก็จะสงบระงับความสงบระงับนี่คือปะะัจสทานเป็นปะะัจสถานสัมโพชงเป็นปะะัจสถานชนิดที่จะทําให้จิตนั้นเวลามีสิ่งใดใดมากระทบสามารถรู้ตามเห็นตามที่เป็นจริงได้การรู้ตามเห็นตามที่เป็นจริงรู้ธรรมตรงเนี้ยเรียก่โพชงคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเวลาจิตที่มีความสงบ เย็นไม่วุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบเวลามีสิ่งใดมากระทบแล้วก็สามารถนิ่งเฉยอยู่ได้ความนิ่งเฉยความวางเฉ ย, ยนี้ที่เป็นผลของสมาธิก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาก็จะมีทั้งสมาธิสัมโพชฌงมีอุเบกขาสัมโพชฌงเกิดขึ้นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็เกิดขึ้นจากการที่เราเจริญอาณาปานสติเกิดขึ้นจากการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจของเราอยู่อย่างนี้ แน่นอนว่าสิ่งนี้สามารถทําได้ไปตลอดทั้งวันในขณะที่ฟังทำในขณะที่ทํากับข้าวหรือทํากิจกรรมใดๆจะเป็นการพูดคุยกันสื่อสารการทํางานก็สามารถตั้งสติเอาไว้อย่างนี้ได้จตุพรอ่าสำหรับการนําปฏิบัติที่ผ่านไปเนี้ยเป็นการนําจัดได้ว่าเหมือนกับจจินตนาการให้ท่านทั้งหลายได้ทําอย่างเป็นทางการหน่อยเป็นรูปแบบใช่เป็นรูปแบบะนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้ว นำเอาความรู้จากการฝึกเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยถูก ต, ต่างถูก ต, ต่างดูฉันฟังจากการที่ท่านพูดถึงองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เนี่ยต้องกราบเรียนท่านนะคะว่าตั้งแต่ต้นเนี้ยเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากอืเพราะว่าผลเนี่ยเป็นผลเลิศเลยเพราะว่าจะพาเราไปสู่การตรัสรู้ใช่ซึ่งเป็นปลายทางที่สุดแล้วถูกไหมคะใช่ทีนี้จากคําอธิบายเกี่ยวกับแต่ละพูดชง เรได้คิดว่าต้องทําอย่างยิ่งยวดแล้วถึงจะไปเจอสิ่งเหล่านี้ <Okay. S 1> แต่ขณะนี้อดีฉันเข้าใจใหม่มแต่ไม่ทราบว่าจะถูกหรือเปล่าจะกรบาบเรียนถามท่าน น, น, นะคะโอเคเข้าใจว่าในระหว่างเจริญอาณาปานาสติอย่างที่เราฝึกทํากันอย่างเป็นรูปแบบเนี่ยก็ mm hmm. จะมีองค์ธรรมพวกนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ครบทั้งหมดใช่คร<ว>ับความละเอียดของมันจะไม่เท่ากันด้วย อ, อาจจะครบทั้งหมดแล้วก็ความละเอียดก็จะไม่เท่ากันอย่างที่คุณยมติ๋วเข้าใจเนี่ยถูกแล้วนะ ที่ว่าะจะทําให้ถึงความหลุดพ้นบรรลุเป็นมรอะฐานใช่อันนี้คือคะละเอียดไปละเอียดไปมันก็จะไปถึงจุดนั้นเป็นที่สุดแต่ในขณะที่เราทําเนี่ยเราเจอสิ่งเหล่านี้แน่นอนอยู่ในกระบวนการนี่แหละอาจจะไม่ได้แบบชัดเจนอย่างนั้นแต่แต่เรียกว่าโพูดชงได้เหมือนกันใช้ศัพท์เดียวกันได้เลยค่ะคือเหมือนก็ได้ไปเยี่ยมพูดชงเรียบร้อยแล้วใช่ใช่แต่ยังไม่เห็นมันหมดทุกด้านยังไม่ละเอียดไปหมดเนียนไปหมดเห็นบางด้านมุมนั้นมุมนี้มีนิดหน่อยๆผวมาวบวบแบบ เป็นโปรโมชั่นให้อันนี้มีแหมชัดเจนว่าเลยเป็นโปรโ mo ชั่นให้นักสการค่ะท่านคะเงั้นดิฉันก็คิดว่าเป็นกําลังใจสําหรับผู้ปฏิบัตินะคะเพราะว่าเมื่อเราเริ่มทําเราก็ได้เหมือนกับก้าวเข้าไปสู่ในแดนนี่ละย่างเข้าไปแล้วใช่ล้ําเข้าไปและเอายกตัวอย่างนิดนึ่งนะคุณโยมเต๋อยกตัวยอย่างนิดนึงเอาดิฉันคิดว่าเราไปทํางานแล้วมีคนด่าเราหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้ทำงานคุณอยู่บ้านขับรถออกไปข้างนอกแล้วมีคนมาบีบแตบใส่เราเ ถ้าเราเห็นตามจริงว่าโอ้มันก็แค่เสียงแตรเดี๋ยวมันไม่ได้จะทําจิตฉันใหกระเทือนได้อันนี้คือมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงะนะนเพราะอะไรเพราะคุณเห็นธรรมนั้นด้วยปัญญาน ะ, ะปัญญามาจากไหนมาจากสติง่ายเห็นธรรมนั้นด้วยปัญญาจากสติที่ตั้งขึ้นตรงนี้เรียกมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงคือการเห็นตามจริงในภาษาที่มากระทบแล้วท่านนั้นเกิดขึ้นดันดีจิตเราจะไม่ร้อนเลยจิตเราจะสบายอันนี้คือการตรัสรู้ธรรมนะ รู้ธรรมะแล้วเห็นธรรมะตามจริงแล้วทีนี้อาสามัมยางไม่สิ้นไงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะ<ม>ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดรียนคิดว่าคนที่ถ้ามาเสพธรรมะคือรู้วิธีหรือรู้รายละเอียดของแต่ละเรื่องเนี่ยบางทีจะทําให้ยากขึ้นไปอีกนิดเหมือนกันนะคะคือเหมือนว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเวลาที่เรามานั่งสมาธิสมมติมีการอธิบาย ใช่ไหมคะว่าอย่างสติปัฏฐานสเนี่ยอมีการอธิบายว่าในเรื่องของกายเป็นอย่างไรสติที่อยู่กับกายเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยพอเรามาปฏิบัติปุ๊บเราก็จะคิดละว่าเออเราต้องพาตัวเองไปตามบางทีทําให้ทําให้เรามีความรู้สึกว่าการปฏิบัตินั้นก็เลยไปติดกับตักอยู่ตรงที่เอ๊ะมันจะต้องเจออย่างนั้นมันจะต้องเจออย่างนี้ใช่อหมใช่แต่จริงๆแล้วต้องเป็นอย่างไรคะอคือตรงนี้เป็นแม่บท่ง เป็นแม่บทเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ละเอียดรอบคอบมากแลนะเป็นคําพูดที่แบบว่าเป็นอมตะนิรันดร์กาลอยู่ล้เป็นคําพุท ธ, ธนะอนาผิญพุทธวจนะตรงนี้ทีนี้ว่ารายละเอียดตรงนี้ที่บางทีแต่ละคนก็อาจจะเจอมันมันจะมีรายละเอียดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเจอแบบแยกแยะออกไปซึ่งเนี้ยจึงต้องอาศัยความเข้าใจในการที่เราปฏิบัติจากการปฏิบัติของเราอะ่นะค่ะนี่ถึงจะสามารถที่จะเข้าใจตามได้ ค่ะมันก็ให้สนใจว่าปฏิบัติให้ถูกก่อนใช่แล้วก็มาใคร่ครวญใช่ใช่ใช่ตรงนี้สำคัญค่ะตั้งสติให้ได้แล้วค่อยใคร่ครวญ ม, ม, ามาเริ่มจากตรงสตินั่นเองค่ะอขออนุญาตมาที่คำถามของผู้ฟังนะคะคุณจั ก, กรกลิตบุญยอดค่ะเรืฟันก็บอกว่าประสบปัญหาในชีวิตครับมผมเป็นทุกข์เพราะความคิดตนเองอ ทั้งที่รู้ว่าความคิดนั้นไม่ดีไม่ควรคิดมันเป็นทุกข์แต่ก็ละไม่ได้ อ, อย่างนี้เรียกว่าจิตมันมีอำนาจเหนือเราหรือเปล่าครับและต้องทำอานาปานาสติให้มากหรือเปล่าครับจึงจะช่วยได้และมีวิธีไหนบ้างครับที่จะละความคิดให้หายไปได้ืมท่านคะถ้าพูดถึงการที่จิตเราไปตามสิ่ ง, ง อ, อ, งองื่นคะือริงของเราเนี่ยนะมันจะไปรับรู้อารมณ์ต่างๆทีนี้พออารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็จะไปตามนั้น ในนี่คือลักษณะว่าจิตเนี่ยมีอํานาจเหนือเราค่ะ น, э. นคือถูกต้องแล้วที่เข้าใจว่าจิตมีอานาจเหนือเราถูกต้องเลยทีนี้วิธีทํายังไงจะให้จิตอยู่ในอํานาจของเราได้แล้วก็เจริญสติอย่างที่ว่านี้หลการที่เรามารู้แล้วว่าเฮ้ยจิตทําไมเป็นแบบนี้วะการที่เรารู้ตรงนี้แสดงว่าคุณเริ่มมีสติละทีนี้สติกับสมาธิไม่เหมือนกันไงค่ะหลัมีสติแล้วจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นไปได้เอาทําไมจะมีสติแล้วทําไมฉันยังไม่มีสมาธิซะทีทำไมฉันยังไม่มีปัญญาสติีมันยังไม่พอ ว่พาพระพเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้คุณหยมตี๋วว่พาพระพเจ้าเบลีบเทียบว่าเหมือนกับน้ําที่ตกลง บ, บนภูเขาเนี่ยนะมันไหลไปไหลไปเนี่ยก็จะเต็มเขื่อนก่อนใช่ไหมคือคือสมัยก่อนไม่มีเขื่อนนะพระเจ้าเบลีบเทีย่ยวหมายถึงบึงน้อยบึงใหญ่ซอกเขาซอกผาลําห้วยพวกนี้ให้เต็มแล้วนะบึงน้อยบึงใหญ่เต็มบึงน้อยบึงใหญ่เต็มแล้วกับแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มก็ทําให้มหาสมุทรเต็มได้แตนะเราทําไปแลนะมีสติมีกําลังมากขึ้นแล้วก็อย่าให้มีความอยากอย่าให้มันถอยหลังอะ ทำแล้วให้มันเดินหน้าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําแล้วเฉันรู้แล้วนะแต่ฉันอยากที่จะให้มันหมดไป<ะ>ไม่อยากที่จะให้มันมีอยู่เนี่ยไอ้ความอยากและความไม่อยากเนี่ยทําให้คุณถอยหลังละค่ะถอยหลังยังไงเพราะมันเป็นเหตุของความทุกข์ไงนะเพราะอยากปุ๊บเนี่ยและความอยากมันเกินกําลังสติเนี่ยมันทําให้เราถอยหลังค่ะนี่สาคัญนะเพราะนั้นอย่าให้มีความอยากแต่ทําให้มากๆดีๆเรื่อยๆมันก็จะทําให้สติมีกําลังเป็นสมาธิได้ดีฉันเป็นเพื่อนคุณจักรเกค่ะ คือก็เมื่อีก็ไปคิดในเรื่องที่ไม่ควรคิดโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าพอเราฝึกใช่ไหมคะแล้วมันก็เกิดความอยากนะคะท่านคะแล้วท่านก็บอกว่าอย่าให้ความอยากมันเกินกำลังของสติใช่ซึ่งการอยากปฏิบัติธรรมการที่มีความพอใจในการที่จะฝึกปฏิบัต จริงๆดิฉันก็ว่าเป็นความอยากไม่ใช่หรอคะชันทะอย่างฉันทะจะไม่เหมือนกันฉันทะที่ใช้ในแง่ดีก็มีฉันทะตัวมันเองมันไม่ดีก็ใช่อยู่แต่ถ้าเอามาใช้ในเรื่องของมร์แล้วทําให้ละกิเลสละชันทะได้อันนี้เป็นสิ่งดีท่านนพระอนุทิบายไว้คำหนึ่งดีมากเลยนี่เป็นคำท่านพระอนุนนะบอกว่าเจริญฉันทะเพื่อละฉันทะเจริญฉันทะเพื่อละชันทะเจริญชันทะนี่เรื่องอะไรมร์แปดไงแล้วมันละชันทะได้ไง ก็มาร์กแนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ฉันต้ามันลดลงไปล่นลงไปแล้วเปรียบเทียบอย่างนี้ตัวตัณห า, <Okay. S 1> าตัณหาพระพุทธชฌาอธิบายไว้3อย่างใช่ไหมคือการมัตัณหาความอยากทยานอยากอยากได้ในทางทางหูจมูกลิ้นกายนี่ <Okay. S 1> ในทางภายในนะ่ะนี่ก็เรียกว่าการมัตัณหาแตความอยากที่ละเอียดลงมาคือภาวะตัณหาภาวะตัณหานี่คือความทยานอยากอยากมีอยากเป็นอยากมีอยากเป็นเช่นฉันอยากเป็นเป็นแม่ชีอย่างนี้ ฉัอยากเป็นนั่นแบบเป็นนี่อยากเป็นครูบาอาจารย์อยากเป็นขึ้นมาความอยากมีอยากเป็นแล้วก็ในข้อที่3ามก็เรียกวิภวะตันหาคือความอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นพูดภาษาบ้านเราก็คือไม่อยากนั่นเองค่ะไอ้ไม่อยากเนี่ยคืออยากที่จะไม่ได้โอเคนะนี่คือข้อที่สซึ่งซึ่งจะดูเห็นได้ว่าความละเอียดเนี่ยมันค่อยๆละเอียดลงมาละเอียดลงมานะจากสิ่งภายนอกมันเป็นสิ่งภายในจากสิ่งภายในมองจากอีกด้านหนึ่งเป็นด้านนิเกตีฟ เป็นความไม่อยากก็ได้เหมือนกันตรงนี้มันละเอียดลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติทําไปเรื่อยเนี่ยจิตของเราล่อออกไปกิเลสมันล่อออกไปล่อออกไปเนี่ยไอ้ตัณหามันก็ค่อยๆล้างออกล่อออกถูกออกความเหนียวอะไรต่างๆเนี่ยจากที่มันแบบหยาบหยาบมันก็จะค่อยละเอียดลงดั ะ, ะ, ะนั้นจิตของคนที่ปฏิบัติทําไปเนี่ยเวลาที่เขาถ้าปฏิบัติถูกนะจากความที่เขาจะอยากมีชื่อเสียงอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีครอบครัวที่เป็นไปในทางกาม ก็จะเบาลงจะลดลงคแต่ทีนี้มันก็จะมาเจอความที่อยากเป็นอยากเป็นอะไรอยากบวชเป็นพระบ้างไม่อยากอยู่เป็นคราวาสบ้างภาวาตานานะอยากบวชเป็นพระนะไม่อยากอยู่เป็นคราวาบ้างนี้วิภาวะตนานะามันจะเห็นพวกนี้เห็น <He bn S 2> พวกนี้ชัดเจนขึ้นแต่ว่าจิตคุณมีความละเอียดลงนะทะไี้ความอยากตรงนี้มันมาตลบหลังเราไงทาให้สติเราอ่อนกําลังพอสติอ่อนกําลังคุณก็กลับไปเป็นแบบเดิมไอ้ ศึกบ้างลาสิกขาไปบ้างมันก็แบบวนกันไปอยู่เงี้ยนี่คือลักษณะของวนบางวนคือเป็นวัตตะแล้วใช่ไหมค ะ, ง, คะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตรวบเอาคาถามอีกคาถามหมึงคุณจักรปริ <Okay. S 2> เพราะจะออกแนวแนวเบื่อหน่ายนี่เหมือนกันนะคะอ่าบอกว่าอันนี้ถามมาอีกอีกชุดคําถามเลยคนละครั้งกับคําถามที่แล้วบอกว่าหลังจากที่ฟังพระอาจารย์เนี่ยนะคะก็จะขอเอาประพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วบางครั้ง ผมรู้สึกว่าคิดผิด<ม>ที่ไปมีครอบครัวก่อน<ม>ทำไมไม่เจอธรรมะของพระพุทธองค์ก่อนที่จะมีครอบครัวเพราะว่าตอนนี้อยากบวชตลอดชีวิตมากเลยเพราะเห็นการเป็นอยู่อย่างกระวาดแล้วมันคับแคบจริงๆการที่อยากบวชเพราะเบื่อหน่ายในชีวิตเพราะเห็นว่าพวกเงินทองการแข่งดีแข่งเด่นมันไร้สาระ<ม>ได้มาเกิดขึ้นแล้วดับไปและผมไม่ชอบคลุกคลีกับคนมากๆด้วยความรู้สึกอยากบวชบางทีจนทุกข์ใจ ขอคำแนะนํา <laughs> อันนี้แหละนี่คืออย่างที่ว่าไป เ, เลยว่าเพราะเรามีความอยากแล้วความอยากเป็นเหตุ ข, ของความทุกขันทีเราจะรู้สึกว่าเป็นทุกขันทีไม่อยากบวชนะคะใช่ใช่ใช่อยางนี้แหละ ค, คือภาวะตัณหาไงอยากได้แต่มันไม่ได้มันจึงทําให้ทุกข์ใจมากนากี่คือไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการมันนะเป็นทางหลีกออกจากการไราเห็นชัดเจนคืออยากบวชแต่ไม่ได้บวชอ่ะก็คุณก็ต้องดูแลรับภาระที่คุณสร้างมาไว้ก่อนใช่ไหมก็เป็นอย่างนั้นล่ะ ทีนี้เราจะทํายังไงไม่ให้ความทุกข์คือความทุกข์ไม่ควรจะต้องเป็นของเราไงทําไมถึงจะทําอย่างนั้นได้ทํำไงถึงจะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องเอาภาวะตัณหาออกไป้ทําไมเมื่อก่อนไม่มีก็เพราะมันถูกครอบงารัดรึงอยู่ด้วยการมัตตนาอยู่พอเราคลี่คลายตรงนี้ได้บ้างคือการมัตหาเนี่ยมันจางคลายไปแล้วนะแต่มันอไหจะเกิดกลับขึ้นใหม่ก็ได้นะเพราะมันเป็นลักษณะของของต้นไม้ที่มันยังมีรากอยู่แต่คุณตัดกิ่งตัดอะไรออกมันออกแล้วแต่ถ้ารากมันยังอยู่นะมันโตได้นะ รากของมันคืออวิชานะยังไม่ได้พูดถึงนะการมัจนาเนียมีรากคืออวิชาอยู่ทีนี้เราตัดกิ่งออกไปเยอะแล้วด้วยจากการอะไรจากการฟังธรรมบ้านจากการปฏิบัติธรรมตรงนั้นตรงนี้บ้างเอาการมัจนาจางกลายไปแล้วลดไปแล้วตอนนี้มาเจอภาวะมัจนาละคู่กับวิภาวะัจนาตันดีภวนะัจนายากเป็นพระวิภวะัจนาไม่อยากเป็นฆราวาสแต่ถ้าไม่มีความทุกข์มากนะเราก็ทํำยังไงอะ่ะถึงจะคลายความทุกนี้ได้อย่าให้ความอยากเกินกําลังของสติ จะไม่ดีตั้งสติเอาไว้เดี๋ยวทำสิ่งที่ควรทำละสิ่งที่ควร ล, ละอะไรคือสิ่งที่ควรทําก็คุณมีหน้าที่อะไรคุณก็ทําไปเดี๋ยศีลจมาที่ปัญญาทําไปอย่าให้มีความอยากในการที่จะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าให้มีความไม่อยากในการที่จะไม่เป็นสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งนี้ทําไม่คระว่าจะปฏิบัติทําไม่ได้ก็ได้อยู่เดีวก็ทําในฐานะที่เราทําได้เราก็ค่อยๆทําไปนี่นะเหตุปัจจัยเหมาะสมแล้วก็ค่อยเปลี่ยนสฐานะได้ ถ้าจะวิเคราะห์จากตัวคําถามของคุณจักรีในชุดคําถามนี้เงินทองการแข่งดีเด่นนี่ก็คือการมาตัญหาถูกไหมคะอ่าคือเขาละได้แล้วทีนี้เข้าใจค่ะหมายถึงว่าอ่าถ้าจะให้คําอธิบายเพื่อที่ท่านผู้ฟังที่ฟังทจะได้เข้าใจอ่าสิ่งที่คุณจักรีถามตรงนี้คือการมาตัญหาถูกต้องถูกต้องทีนี้พอ้การมาตัญหาที่ที่เราเราละได้แล้วใช่ไหมแต่มันยังมีอยู่คือคือไม่ใช่มีกามนะแต่ยังมีวัตถุกามอยู่ คื่ตัวการไม่มีแล้วน ะ, ะตัวการที่อยู่ในใจคุณก็เบาบางลงไปได้นะแต่แต่ไม่รู้มันจะเกิดอีกเมื่อไหร่นะรางมันยังมีอยู่นะทะนีนี้ไอแต่วัตถุกรรมมันยังมีอยู่ทีนี้พอเรามีวัตถุกรรมอยู่เรากับมีความไม่อยากมีวิภาวาตัณหาในวัตถุการมนั้นมีวิภาวะตัณหานั่นแหละมันจึงทุกข์ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยฉันทำไมฉันต้องมีเงินมีทองด้วยมันไร้สาระสิ้นดีตรง น, นี้จะเป็นทุกข์นะรวมทั้งมีครอบครัวด้วยใช่ใช่พวกนี้คือคือวัตถุกรรมไง คือกา ร, รเนี่ยจางกลายไปแล้วเบาไปแล้วมีวัตถุกรรมอยู่เพราะคุณมีของข้าของอะไรต่างๆอยู่กลับมีวิภวะนานในวัตถุกา ร, รมนั้นมันมันจึงทําให้จิตใจเศร้าหมองให้ให้คิดอย่างนี้ดีกว่าเราอยู่เป็นคารวะเนี่ยก็ประพฤติพรหมจรรย์ได้ลักษณะาการบวชคืออะไรการบวชนี่คือการประพฤติพรหมจรรย์นะกามัพรหมจรรย์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าศีลแปดเป็นอย่างต่ําขึ้นไป แต่เพราะฉะนั้นคุณอยู่ความเป็นค า, ารวาสยังไม่ได้กลผมยังได้เปลี่ยนเครื่องแบบแต่เราก็รักษาสีแปดได้อาจจะไม่ได้ทําได้ทุกวันแต่ในสัปดาห์หนึ่งอาจจะทําได้หลายๆวัน 3, าวันสี่วันหวันหรือไมไ้แต่วันเดียวก็ตามก็ชื่อว่าเรามีการเป็นนักบวชอยู่ในวันที่เราปฏิบัติสีนั่นเป็นเบื้องต้นแห่งปรมจันท์นั้นๆอ่า น, นี่ก็สะสมไปได้ค่ะยังก็ไม่ทราบว่าคุณจะ ก, กรดเนี่ยมีเฉพาะภรรยาหรือว่ามีลูกแล้วนะคะแต่ว่า ถ้าฟังจากที่ท่านอาจารย์พูดแล้วก็จากตัวคุณจั ก, กรีต์เองเนี่ยยิ่งคิดถึงการเอ๊ไม่ควรมีเลยนะคะอ่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าจะไปฝากความทุกข์ให้กับคนในครอบครัวได้ถ้าหากว่ามีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปในทางที่ละทิ้งไม่ทําหน้าที่ของครอบครัวถูกไหมคะมทีนี้ที่ท่านบอกว่ า, าก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปศินสมาธิปัญญาอย่าให้พร่องเนี่ยหน้าที่ในส่วนของครอบครัวนี้ต้องทําอย่างไรคะ เขาถ้าเป็นมาดาบิดาแต่ถ้าตัวคุณจะเกิดเป็นพ่อ<ะ>ก็ต้องเลี้ยงดูลูกให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปนะให้ศึกษาศิลปวิทยาเม้มามดุกให้ตามเวลาแล้วก็หาคู่ครองให้ที่เหมาะสมอ<ะ>ันนี้เป็นหน้าที่ของมารดาบิดา<ะ>แต่ถ้าตัวเองเป็นสามีมีภรรยาแล้วก็อย่านอกใจ<ะ>นะให้กําลังใจให้คําอ่อนหวานอย่าทําให้เขาอย่าไปด่าเขาอย่าว่าเขา แล้วก็มอบการงานที่สมควรให้หมอบเครื่องประดับให้บ้างอันนี้เป็นหน้าที่ของสามีแต่เราก็ถ้าเผือว่าเป็นลูกน้องก็ทําการงานอย่างดีมาทํางานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายแต่ถ้าตัวเองเป็นหัวหน้าก็รู้จักดูแล ล, ลูกน้องให้ทํางานตามความเหมาะสมตามกําลังให้มีวันหยุดให้ให้มีอาหารและรางวัลบ้างอย่างนี้ก็ทําหน้าที่ให้เหมาะสมแล้วเราปฏิบัติตามทําอย่างนี้ไปเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีรูรั่ว แต่ช่องโบรตรูรั่วตัวนี้สำคัญนะคุณยมติวเพราะว่าบางคนเนี่ยแมมาปฏิบัติธรรมแล้วแบบอยากจะทิ้งครอบครัวมาเลยแล้วตัวเองก็สร้างรูรั่วในชีวิตทำให้บางทีไม่ได้ดูแลลูกหรือว่าภรรยาตามที่เหมาะสมน ะ, ะพอๆไม่ได้ทำหน้าที่นั้นแล้วเนี่ยก็จึงมีรูรั่วเกิดขึ้นบางทีมก็พลาดตรงนั้นได้เหมือนกันก็ขอให้คิดว่าจริงๆพระพุทธองค์ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องฉุดกระชากออกมาเลยจาก ชีวิตทางโลกแต่ว่าสามารถที่จะดำเนินไปพร้อมๆกันในวันที่ยังไม่เหมาะสมเสทีทีเดียวกับการที่จะละทิ้งทางโลกนั้นอันนี้ก็คือเส้นทางธรรมดาน ะ, ะทางแบบว่าไปเรื่อยๆได้ค่ะแล้วก็วันหนึ่งที่ฉันได้ยินคำว่าธรรมะจัดสรรถ้าพูดจริงๆถ้าพูดแบบพระพุทธงตรัสเนี่ย ม, ม, มีคะคว่าธรมรมะจัดสรรเนี่ยก็คือเป็นไปตามกรรมนั่นเอง เพราะว่าเวลาที่เราทําหน้าที่อย่างดีถูกต้องแล้วเนี่ย เ, เจ้าภาวะตันหาวิภาวะตันหามันก็จะค่อยๆจางคลายลงจางคลายลงเนี่ยพอไอความจางคลายลงจางคลายลงมันมันมีไปทั่วเนี่ยทําให้จิตใจเราน้อมไปในทางธรรมามากมากขึ้นมาขึ้นใช่ไหมไ <c oughs> อ้ความลงตัวในด้านต่างๆที่ในชีวิตไม่มีรูรั่วมันก็จะค่อยปรากฏแนวทางขึ้นมีความ <c oughs> ชัดเจนขึ้นจะได้บวชหรือว่ามีการประพฤติพรหมจรรยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้่ <c oughs> ดิฉันเชื่อว่าคุณจะกริดฟังอันนี้จะเห็นทางออกของความทุกข์ซึ่งน่าจะทำให้ดีขึ้นกว่าเก่านะคะทางปฏิบัติก็ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในทางครอบครัวเองก็ไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนหรือทำให้คนข้างๆมีชักเอ๊ะแปลก จะไปบวชหนีฉันไปไหมเนี่ยออะไรอย่างเงี้ย น, นะนะคะค่ะหรือที่เคยได้ยินแบบนี้จริงๆนะครบางทีคนเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยก็ชักไม่เข้าใจว่าจะอย่างไรดีอันนี้ในในทางที่ว่าเไม่ได้หักดิบนะก<ะ>็คือว่าค่อยเป็นค่อยไป น, นี้กระบวนการนี้ก็ก็ถือว่าถูกต้อง<ะ>ทีนี้สามารถหักดิบได้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเรามีความคิดอย่างไรแต่เพราะว่าการที่ถ้าเราหักดิบเลยเช่นว่า ออกไปเลยไม่สนใจอะไรแล้วอย่างที่โพธิสัตธรรมคือพระพุทธเจ้าของเราจำเป็นโพธิสัตว์เนี่ย ก, ก็ออกบวชเลยนะค่ก็คือไม่ได้ว่าขอใครละคือฉันออกบวชเลยแบบนั้นก็มีทีนี้ว่าในเงื่อนไ ข, ขของการดูแลตรงนี้นเขามีการดูแลไว้เรียบร้อยแล้วนะเป็นกษัตริย์เรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องคนที่จะมาเป็นแม่นมันต่างๆก็ไม่มีปัญหาอะอันนี้ก็มีการดูแลไปแต่นี่คือคือการกระทําที่ก็ทําได้เหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าเราจะมีกําลังจิตแบบนั้นหรือไม่ ซึ่งถามว่าผิดหรื อ, รอเปล่าแล้วก็ถ้าบอกว่าไม่ได้ผิดศีลนนไม่ได้ผิดในข้อปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหนานะก็มไม่มีปัญหาถามว่าเป็นการเบียดเบียนไหมก็ตอบว่าเป็นการเบียดเบียนแน่ในที่นี้ว่าพอเรามีการกระทําอย่างนั้นแล้วเราสามารถที่จะทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่แต่าทาประโยชน์ในที่นี้ก็คือการทําที่สุดแห่งทุกได้โดยกําลังที่คุณสร้างตอนนั้นมันก็อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือพูดใบเฉยๆนะคุณหยงเติวค่ะ ก็เหมือนกับว่าก็ต้องพูดตามความเป็นจริงตามตามตามธรรมใช่ไหคะแต่สุดท้ายก็คือทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่อย่างนี้ได้ไหมคะใช่กาอยู่ที่การตัดสินของเราเราจะสร้างเหตุแบบไหนนะคะนะคือเป็นความทุกข์ของผู้ปฏิบัติธรรมใช่ค่ะซึ่งซึ่งความทุกข์ก็คือเหตุมาจากตัณหาแน่ๆเราต้องกำจัดมันตรงนี้เพราะเกิดไปมีตัณหาเกินสติ ถูตงตูตงนะค ะ, ะท่านพิบุญคะ่ะมาถึงเรื่องเบาๆง่ายๆดีกว่าเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงว่าเป็นฆราวาสเนี่ยก็สามารถที่จะปฏิบัติได้โดยที่ให้รักษาศีลแปดเป็นครั้งเป็นคราวตามสะดวกนะคะเรนสงสัยเรื่องแต่งชุดขาวะคะ่ะ mm hmm. คือเหมือนกับว่าก็เกิดส่วนใหญ่ทั่วไปคนไปวัด คนไปปฏิบตัติคนไปงานทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นเขาใส่ชุดสีขาวใช่ไหมคะ ห, มหรืออาจจะมีบางคนที่ใส่ทุกวันเลยเพราะว่าตั้งใจละ ว, ว่าชีวิตนี้จะไปเส้นทางสีขาวเนี่ยคือการลดละเลิกกิเลสแต่สำหรับคนทั่วๆไปเนยคะ่ะบางคนเหมือนกับอยากปฏิบัติธรรมอยากเข้าสู่ทางธรรมแต่ไม่ชอบใส่ชุดขาว โดยเฉพาะใส่ชุดขาวป ล, ปลอดในเมืองหลวงที่เขาแต่งกันสีสันสา ร, ร, รพัดก็ไม่อยากให้ใครเขามองว่าเราเป็นแม่ชีปเป็น <laughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะออดิฉันอยากทราบว่าชุดขาวนั้นมีความสำคัญกับการเป็นผู้ปฏิบัติแค่ไหนอย่างไรคะจำ เ, ออเป็นไหมคะคือคงจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่ามันมีพุทธพจน์อันหนึ่งะน ะ, ค, ะคุณยมเลยที่พระพุทธาอธิบายถึงอุบาสกอุบาสิกานะผู้ที่นุ่งขาวห่มขาวมีอยู่ <Okay. S 2> แต่อุบาสกอุบาสิกาทั้งที่ประพฤติปรหมจรรย์นุ่งขาวห่วมขาวก็มีนะอุบาสกอุบาสิกาที่ยังบริโภคกามนุ่งขาวห่วมขาวก็มีแต่ตรงนี้จึงทําให้คนก็มีค่านิยมว่าเงั้นฉันก็นุ่งขาวหวมขาวสิก็เป็นอย่างนั้น <Okay. S 2> แต่นี้ประเด็นที่สําคัญในเรื่องของเครื่องแต่งกายเนี่ยเอองั้นทําไมพระไม่นุ่งขาวห่วมขาวอะ่ะประเด็นก็คือว่าความเป็นอยู่ง่ายในเรื่องนี้ด้วยอย่างพระสงฆ์ได้ผ้ามา แล้ว ก, ก็ทำให้เสียสีมันจะได้ดูแล ง, ง่ายด้วยการย้อมน้ําฝาดย้อมน้ําฝาดนี่ดูแล ง, ง่ายนะทั้งมแมลงอะไรก็จะไม่ทําลายทั้งสีมันก็จะไม่เปื้อนง่ายทำให้เราเห็นบางทีผู้หญิงก่อนที่เขาจะสมัยก่อนหรือสมัยนี้ก็ตามเนี่ยก่อนที่เขาจะเป็นสาวแม่ในรีหรือหลังจากสาวแม่ในรีเนี่ยแหละนะเขาต้องเป็นสิขามานาใช่ไหยที่ต้องมีการนุ่งห่มผ้าย้อมน้ําฝาดแล้วก็ไม่ใช่ชุดขาวละแล้วก็คือชุดย้อมน้ําฝาด ที่ทำให้มันมีการดูแลรักษาง่ายแบบนี้ก็ได้คือเรามองมุมไหนอยู่ที่ว่าถ้ามุมมองของเรื่องการที่แต่งตัวง่ายๆไม่ได้ต้องอะไรมากแต่เราเห็นผู้บริหารในบริษัทระดับโลกอย่างเงี้ยอย่างสตีฟจ็อบส์อย่างเงี้ยก็ใส่ใ ช, ชุดเดียวกันตลอดหรือแต่านายมาร์กเจ้าของบริษัทเฟซบุ o กอย่างเงี้ยเขแต่งชุดเดียวตลอดคือสีเดียวตลอดก็ไม่ต้องไปคิดมากเลือกมากว่าวันนี้ต้องใส่สีอะไรวันนี้ต้องแต่งตัวแบบไหนใช้ท้ายสีอะไรกกลเกงสีอะไรไม่ต้องคิดเรื่องพวกนี้เลย ก็คือ default แบบเดิมเหมือนเดิมเป๊ะมันก็ง่ายในการที่เราจะหาเครื่องแบบแความง่ายตรงเนี้ยคือวิถีทางดำเนินชีวิตในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งคุณจะเอาขาวหรือคุณจะเอาสีอะไรก็ได้อ่ะที่ว่ามั น, มนดูแล ง, ง่ายมันไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วความคิดของเราไปใช้ในเรื่องอะไรในเรื่องการปฏิบัติธรรมในเรื่องของการที่จะทรงอยู่ในมั่งได้อย่างไรในเรื่องของการทีทจทรรรรทท่จะพิจารณาสิ่งที่มันกระทบใช้สมองของเราเนี่ยไปในเรื่องพวกนั้นดีกว่าค่ะ แต่พูดถึงเวลาเห็นคนใส่ชุดขาวอยู่ด้วยกันเยอะๆก็ดูงดงามนะคะใช่เพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่สะดวกจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้คนรอบข้างมาแซวสมมุตินะคะเป็นแม่ชีเป็นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไม่ต้องมีความทุกข์ทีนี้ท่านคะแล้วทำไมพระพุทธองค์ถึงได้บัญญัติพระสูตรที่เกี่ยวกับ เ, เรื่องการห่มขาวพมาืามาราของอุบาสุบาสิกาพูดไปทีเดียวเท่านั้นเองที่อรมาอ่านเจอนะ ในในพระสูตรอื่นๆเท่าที่อ่านมาก็ไม่ได้เจอพูดไว้ว่านุ่งขาวห่มขาวที่ไหนอีกในในยัดนั้นก็ไม่แน่ใจว่ามีบริบทอะไรแต่ว่ามีที่เดียวแหละที่พูดไว้ตรงนั้นค่ะเพราะ่ฉันเองก็เคยเห็นนะคะก็เคยเห็นแล้วก็ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วควรจะเพราะว่าเป็นการเกื้อกูลกับการที่จะทำให้เรากิเลสเจือจางเบาบางลงไปได้ ทั้งเกื้อกูลกับตนเองและยังเกื้อกูลกับผู้อื่นซึ่งเป็นผู้ปฏิบตัติเขาไม่ต้องมาะสะดุดกับการแต่งกายอกของเราอย่างเงี้ยค่ะถ้า ง, งั้นเรามามองมุมนี้นะพราหม์ทั้งหมดเลยนะพราหมน ะ, ะในยุคนั้นเนี่ยเขาก็นุ่งขาวกันหมดอมแล้วพราหมณ์ที่นุ่งขาวเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็เยอะน ะ, ะเช่นสัจจการนิกรอย่างเงี้ยนุ่งขาวนะใช้นุ่งผ้าสะบงสีขาวมีผ้าคลุมสีขาว แล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เรียนความรู้โหหลายปีดกมากกลัวความรู้เนี่ยจะจะล่วออกจากท้องเนี่ยเอาเหล็กมาลัดพุงเอาไว้แล้กลัวว่าความรู้นี่จะไหลออกมามาต่อกก้อนมาโต้เถียงกับพระพุทธเจ้าอยู่หลายรอบแล้วก็ยังไม่ยอมสักทีก็นกุนน <Okay. S 1> นน่งขาวเหมือนกันอะเพราะฉะนั้นเรื่องเครื่องแบบตรงนี้นะมามองในในยะตรงนี้ว่าที่พระพุทธเจ้าบอกให้พูดถึงสีขาวเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้เรา ไม่ต้องคิดอะไรมากนะั้นมันเป็นสีที่อยู่ในสมัยนั้นอยู่แล้ว <Okay. S 1> คุณไม่ได้ต้องย้อมอะไรมากนะแต่ว่า <Okay. S 1> ขาวของอินเดียนี่ไม่ได้ขาวจัว๊วะเราต้องไปฟอกสีนะจะเป็นขาวแบบขาวธรรมชาติมันก็จะหมองๆนิดนึงค่ะ <Okay. S 1> อ, อย่างผ้าขาวในปัจจุบันนี้ก็ตามเนะี่ยแต่เราไปซื้อจากที่อินเดียเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนั้น <Okay. S 1> แต่เพื่อให้ง่ายต่อการที่เราจะต้องไม่ต้องไปคิดว่าคุณจะต้องแต่งอะไรให้มัน <Okay. S 1> แบบเลื่หรูอลังการมีทองระดับตรงนี้มีดิ้นไหมตรงนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้น มันเป็นความเรียบง่ายในเาจมามองมุมนี้นะค่ะมีเพื่อนที่เชนบางคนบอกว่าเพื่อเป็นการลดอัตราอืมอืทีนี้ที่เชนขออนุญาตเลยนะครับพอดีระหว่างที่ฟังท่านตอบเนี่ยก็เปิดพระสูตรเจอเพราะว่าในกลุ่มของที่เช่นเขาส่งกันอยู่กระสงสัยเรื่องนุ่งขาวเจรพรเพราะผู้ทงได้ตรัสกับวัดฉะนะคะท่านขออนุญาตอ่านให้ท่านฟังทางบ้านได้ๆดีดีค่ะบทหนึ่งเนี่ยได้ตรัสกับวัดฉะว่า อุบาสกผู้สาวกของเราพวกเป็นครืดหัดนุ่งขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติปรมจันเป็นโอปปาติกะวงเล็บอนาคามีมีปกติปรินิพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสัญชน์มีส่วนในเบื้องต่มห้าอย่างก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้ วัชะอุบาสกผู้สาวกของเราผู้เป็นเครือข่าย น, นุ่งขาวยังบริโภคการเป็นผู้ทำตามคำสอนเป็นผู้สนองโอวาทมีความสงสัยอันข้ามได้แล้วไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่านี่อะไรนี่อะไรเป็นผู้ปราศจากความคลั่งคคา้ไม่ใช่ผู้ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่นอยู่ประพฤติปรมจารย์นในาศาสนาของพระาศาสดา ก, ก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้ แล้วก็ยังพูดถึงสาวิกาในธรรมนองเดียวกันด้วยนะคะอืมค่ะนี่แหละคือพระสูตรนี้นะคะอืมก็ก็คงประเด็นของพระสูตรเนี้ยค่ะคงไม่ใช่อยู่ที่นุ่งขาวใช่เดี๋วฉันเข้าใจว่าประเด็นอยู่ที่ท่านบอกว่ามีมากปฏิบัติใปเถะให้กำลังใจใช่ถูกต้องถูกต้องนะคะเพราะผู้ประพฤติปรมาจรัร์เป็นโอปปาติกะเนี่ยมีอยู่หลายหล 100, าย ใ, ใ, ใช่ ค่ะก็ถ้าไปที่ไหนก็นุ่งขาวกันทั้งหมดก็นุ่งไปเถอะนะคะอืแต่ถ้าคิดว่ามไม่สะดวกจริงๆไม่มีใครว่าเพราะว่าคนถ้าจะเพ่งเลงกันบางทีใส่สีเดียวกันทั้งหมดเนี่ยโอ้ไอ้นี่สีมองไอ้นี่ทําไมเนื้อผ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นใช่ค่ะดังเพนั่นก็รักษาจิตของเราให้ดีให้มีความเรียบง่ายในเรื่องเครื่องแต่งกายอยู่ง่ายกินง่าย น, นี่จะทำให้การเป็นแบบของเราเก้าวหน้าได้นะคะอยู่ง่ายกินง่าย สำคัญที่สุดสําหรับการปฏิบัติธรรมเด่นสรุปนี้ได้ไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะก็ครบถ้วนนะคะคุณจั ก, กริดดังก็ขอให้คุณจั ก, กริาได้มีสตินะคะที่ตัดสินใจในการจะปฏิบัติตนอย่างไรต่อไปอย่างถูกต้องและก็เผื่อแผ่ไปยังผู้อื่นที่ยังสงสัยในเรื่องทํานองเดียวกันนี้ด้วยกราบน้อมักการขอบพระคุณ ท่านประมาไาภบูรอภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเบญบานส ก, การ์กันคะฝั่งที่กรบคะดิชันมิสันส น, นีนาคพง์นะคะก็มีความรู้สึกว่าดีใจที่ได้มามีโอกาสทำให้คำสอนของพระาศาสดานั้นได้นำไปสู่ท่านอย่างได้รับความกระจ่างมากขึ้นโดยการมาขยายความจากประสงค์ผู้ที่ตั้งใจบวช เป็นพระสงค์แล้วก็ทําหน้าที่พระสงค์ที่ควรทําได้อย่างที่พระศาสดาต้องการอย่างพระมหาภัูบุญอภิปุณโณ น, นะคะท่านทํางานเกี่ยวกับการเผยแพร่ทางธรรมสอนทางการปฏิบัตินี้อย่างสม่ําเสมอต่อนเนื่อง อ, งอยู่ที่วัดป่าดอนไฮโุดรนธานีรายการของเราก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะทําให้อ่ามาถึงผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ไปวัดอย่างเป็นทางการกันมากนะัก รวมไปถึงท่านอื่นๆด้วยติดตามรับฟังรายการของเรากันนะคะได้ในทุกๆจริงๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์จันทร์ถึงพุดพบกับพระมหาพัยบุญรูปเดียวนะคะพอถึงวันที่วันพฤหัส บ, บดีกับวันศุกร์ก็จะเป็นการสนทนาร่วมกันวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณวสวัสดีค่ะ